ความเอย๋ยความตายสิ้นชื่อหายเพราะไม่มีความดีเหลือคือตายเน่าตายนอนเป็นบ่อนเบื่อหน้าเหม็นเบื่อตายเชน่นนี้ดีอะไรถ้าตัวตายไว้ลายให้โลกเห็นก็เหมือนเป็น อยู่คู่ล่าอย่าสงสัยตายแต่เปลือกเยื่อในอยู่คู่โลกไปเป็นประโยชน์แก่ใครๆไม่สิ้นเออท่านพุทธทาสพิขุ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 เพื่อนของเราสองคนที่จากไปท่านแรกก็คือนายแพทย์สงวนนิตยารำพงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนุชนารัตน์ปราณีตั้งสพสวดพระอภิธรรมอยู่ที่วัดเดียวกันก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากนะคะ่ะที่เราได้ข่าวจากญาติของเพื่อนของเราที่จากไปในวันเดียวกันเป็นวัดเดียวกันอีกด้วยนะคะ ก็เป็นเรื่องดีสำหรับพวกเรามากคือไปทีเดียวเนี่ยก็ได้ทำงานสองงานพร้อมกันเลยแต่สิ่งที่อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนของเราเกี่ยวเนื่องกับเพื่อนที่จากไปสองท่านนี้นะคะก็คือว่าสองท่านเนี้ยจากไปด้วยวัยที่น่าเสียดายมากอย่างในแพทย์สงวนเนี่ยอายุแค่เพียง54กําบลังทำอะไรต่ออะไรได้ประโยชน์อย่างมากมายทีเดียว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 ไม่ใช่อยู่รอบๆตัวเรานะอยู่ในตัวเรานั่นแหละค่ะเ่เราเดินไปไหนจะทำอะไรนั่นแหละคือชีวิตแล้วก็ความตายนี่ว่าเรามักจะคิดว่าเอเนี่ยเราอยังอายุน้อยอยู่เราจะต้องตายอายุประมาณร้อยปีก็ตั้งเป็นเกณฑ์เอาไว้ว่าร้อยปีเราถึงจะตายแต่ตอนนี้นยังไม่ตายหรอกเราลืมไปว่าขณะที่เราหายใจเข้า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 ทุกวัยเลยด้วยซ้ำไปมันจึงเป็นอุตอาห์สอนใจแล้วว่าเราไม่ควรประมาทที่ศาลาวัดสิบเอดสาลาเต็มทุกศาลาเลยต้องเผาวันละสามศพแล้วผู้ที่ตายเนี่ยมีทุกวัยเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ควรประมาทแม้ว่าเรายังมีอายุน้อยอยู่เรายังมีความสุขอยู่ เรายังไม่มีโรคไปยไข้เจ็บเรายังไม่ตายเรายังจะต้องใช้ชีวิตได้อีกนานอันนี้มันเป็นความประมาทเมื่อมีความประมาทแล้วเราก็จะไม่ระ ล, ลึกถึงตัวเองไม่ลึกถึงความตายมัวแต่ไปมุ่งทำแต่สิ่งภายนอกลืมจัดการกับสิ่งภายในตัวเราในกายในใจหรือหน้าที่การงานของเราเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความประมาทในชีวิตใช้ดีแล้วก็ถ้าเราศึกษา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 อยู่ในสีในธรรมอยู่เสมอเสมอแต่ผู้ที่เราไปงานเนี่ยคนแรกอายุห้าิบสี่หมอสงวนคุณนุชนาอายุ4ี่รวมกันยังไม่เท่าหลวง่อปัญญาเลยรู้สึกจะเท่าพอดีค่ะอายุเท่ากันพอดีนะสองสบี่บวก4ี่สบนี่ค่ะ <c oughs> ได้96 <c oughs> พอดีเลยค่ะสองคนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนจริงน ะ, ะสิบาอลาเนี่ยเต็มหมดเลย น, นี่เป็นเรื่องของ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 เนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่อยากจะน้อมเอาความตายการพลัพรากจากไปของเพื่อนของเราที่จากไปในวัยที่ร้ายต่อหลายคนยังเสียดายมากๆเนี่ยนะคะให้เป็นข้อคิดเตือนจิตสกิจใจสักนิดหนึ่งว่าเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากมายนักที่จะใช้เวลาอยู่บนโลกใบนี้อะไรที่อยากทำ ร, รีบรีบทำเถอะคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องดีๆ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 เราจะไม่กลัวความเจ็บป่วยเราจะไม่กลัวความตายมันจะกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่าเนี้ยแบบด้วยความมั่นใจไม่างกับที่ท่านบอท่านพูดว่าศบตากับความตายอย่างนี้นะมันเหมือนอย่างกับเราไปดูเสืออยู่ในกรงนียเสือถูกขังในกรงเรากลัวเราไม่กล้าเข้าใกล้แต่เมื่อเราดูเสือนานๆมองเสือนานๆล้วก็กล้าที่จะเข้าไปใกล้กรงเห็นไหมมันเกิดความเคยชิน เพราะเราจะเข้าใจในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นในวนนัยขณะนี้ปัจจุบันนี้เราต้องมีการเตรียมตัวตั้แต่เนิ่นๆ เ, เตรียมตัวไม่ถึงว่าไม่ประมาทตอนเนี้เรายังมีความพร้อมอยู่เรายังมีทุกข์ไม่มากสุขภาพก็ยังพอใช้ได้อายุยังไม่มากยังไม่ตายนี่หละเราควรจะเตรียมตัวที้แต่เนิ้นๆละความช่วทั้งหลายละละเลิกอบายามุขบุลีสุร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 จิตช่วยใจเราเนี่ยไม่ให้เป็นทุกข์กับความตายของร่างกายแล้วก็ไม่จิตใจเราเนี่ยวุ่นวายไปกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสติเมื่อมีในล่าสุดท้ายเนี่ยในช่วงแค่ 5, นาที10นาทีทำให้เกิดปัญญาค่ะมันจะเริ่มมีการปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงไม่ควรประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วเราก็ลองฝึกฝึกปล่อยวางดูบ้าง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 เราฝึกๆดูแต่เราก็ไม่ได้ไปทิ้งเนี่ยนะก็ยังมีหน้าที่ต้องทําตามหน้าที่ก่อนทําหน้าที่ข้างนอกให้ดีที่สุดแต่ฝึกใจเราให้รู้จักปล่อยวางคเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากบุญกุศลที่เป็นคุณงามความดีมันก็จะติดตัวเราไปอันนี้เป็นด้านนามาทําแต่ถ้าจิตที่หลุดพ้นแล้วเห็นแจ้งแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งบุญกุศล